หนึกายที่สัมมาทิถิสามมาปฏิบัติจริงคืออะไรกายในกายคืออะไรอย่างไรก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเวทนาในเวทนาคืออะไรอย่างไรก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงจิตในจิตคืออะไรอย่างไรก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริง ทำในธรรมคืออะไรอย่างไรก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงและสามารถปฏิบัติกมจัดกิเลสลงได้การจัดการกัดกิเลสให้ลดลงจนถึงขั้นดับลงได้นี้คือการทำอภิสังขารสำเร็จผลอาภิสังขารมีผลสำเร็จกายเวทนาจิตก็เป็นธรรมะ ภาวะที่ทรงอยู่ที่สะอาดจากกิเลสนั้นนั้นได้จริงกายอันคือรูปกับนามที่ประกอบกันอยู่ก็สำเร็จเป็นกายที่สะอาดจากกิเลสตัวนั้นได้จริงก็เป็นกายของพรหมหรือกายแห่งพรหมภาวะแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ภาวะจิตอินทาณที่ประเสริฐสุด พระพุทธเจ้าตรัสว่ากายนี้คือกายของพระองค์เป็นกายที่ทรงความเป็นธรรมะคือทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์พรมกายหรือธรรมกายนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าคือตถาคตผู้มีกายสัมมาทิฏฐินี้หมายถึงพระพุทธเจ้า